สรุปพุทธธรรมลงในอริยสัจเนื้อความและโครงเรื่องของหนังสือพุทธธรรมนี้แม้จะดูเหมือนแปลกไปจากคำพีและตำราต่างๆเท่าที่มีอยู่ในหลายส่วนและหลายลักษณะแต่ความจริงแล้วก็ดำเนินอยู่ในหลักการเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้คืออริยสัจสีนั่นเอง มีได้ผิดแปลกไปแต่ประการใดเพื่อให้เห็นชัดจึงขอจัดโครงเรื่องของหนังสือลงในหลักอริยสัจส์่ดังนี้ภาคหนึ่งมัดเชนธรรมเทศนาแบ่งเป็นหมวดหนึ่งทุกได้แก่บทที่หนึ่งชีวิตคืออะไรขันหบทที่สองชีวิตคืออะไร อายตนาหบทที่สชีวิตเป็นอย่างไรไตรลักษณ์หมวด2สมุทยัยได้แก่บทที่4ชีวิตเป็นไปอย่างไรปฏิจจสมุปบาทบทที่หชีวิตเป็นไปอย่างไรกรรมหมวดสนิโรธได้แก่ บทที่หชีวิตควรให้เป็นอย่างไรนิพพานบทที่7ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพานบทที่8ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจบทที่ 9. ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพานบทที่10ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทสรุปภาคสองมัชชิมาปฏิปทาจัดเป็นหมวดสมักได้แก่บทที่สิบอชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทนำของมัชชิมาปฏิปทาบทที่12ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร บุพบพรของการศึกษาหนึ่งปรตโตโคสะกัลยาณมิตรบทที่13ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบุพภพรของการศึกษาอย่างที่หนึ่งปรตโตโคสะกัลยาณมิตรบทที่13ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบุพภพรของการศึกษาอย่างที่สองโยนิโสมนัสิการบทที่14ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัจจิมาปฏิปทาหมวดที่หนึ่งหมวดปัญญาบทที่15ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัจิมาปฏิปทาหมวดที่สองหมวดศีลบทที่16ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัจิมาปฏิปทาหมวดที่สหมวดสมาธิบทที่17บทสรุป อริยสัตส4และภาค3บทความประกอบเป็นตัวอย่างแสดงอริยธรรมวิถีคือแสดงว่าชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรได้แก่บทที่18บทความประกอบที่หนึ่งชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชนบทที่19บทความประกอบที่ 2. สองศีลกับเจตนารมทางสังคม บทที่20บทความประกอบที่สเรื่องเหนือสามัญวิสัยบทที่21บทความประกอบที่4ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจบทที่22บทความประกอบที่5ความสุขหนึ่งเบแบบแผนบทที่23บทความประกอบที่6ความสุขสองะบับประมวลความ ส่วนเนื้อความที่ดูแปลกไปโดยเฉพาะข้อธรรมที่มีชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเช่นปรตโตโคสะกลยานามิตรและโยนิโสมณสิการเป็นต้นพร้อมทั้งแง่ด้านที่ไม่ชินตาของหลักธรรมต่างๆที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมีหลายอย่างที่ได้นำมาอธิบายเป็นพิเศษในหนังสือนี้ทั้งที่ในหนังสือทางธรรมทั่วไปไม่ค่อยมีการกล่าวถึงพึงเข้าใจว่าข้อธรรมและแง่แห่งความหมายเหล่านั้น แท้จริงเป็นสิ่งที่ท่านกล่าวถึงบ่อยๆในพระไตรปิฎกแต่อาจเป็นได้ว่าในบางยุคบางสมัยไม่มีเหตุที่ท่านจะต้องยกขึ้นเน้นยำ้ำหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษจึงเหินห่างเลื่อนรางไปการมีเนื้อความเช่นนั้นมาปรากฏอย่างแปลกตาในหนังสือนี้พึงเข้าใจว่าเกิดจากการพิจารณาเห็นว่าบัดนี้ถึงเวลาที่ควรจะสนใจข้อธรรม แน่แง่ความหมายเหล่านั้นให้มากเป็นพิเศษหรืออย่างน้อยมากขึ้นกว่าเดิมในทานองเดียวกันบางท่านก็อาจสังเกตเห็นว่าคำสอนบางอย่างบางแง่ที่เคยเน้นย้ำขยายความโดยพิศดาในบางสมัยก็มิได้เป็นจุดเด่นที่เน้นย้ำในหนังสือนี้อย่างไรก็ตามผู้เขียนหนังสือนี้มีความมั่นใจพอสมควรว่า อัตราส่วนแห่งเนื้อความเกี่ยวกับข้อธรรมและแง่ความหมายของหลักคำสอนต่างๆที่กล่าวถึงในหนังสือนี้ใกล้เคียงมากกับอัตราส่วนที่เป็นจริงในพระบาลีคือพระไตรปิดกที่เป็นแหล่งคำสอนหลักแต่ดั้งเดิมจบบทที่17